บุกทูยี่สิบตัวชการสนทนาหนึ่งทําทำตัวตามสบายค่ะจรรุปเซฟกุปเซฟะ ทำตัวเหมือนอยู่บ้านคุณเองนะคะชัดดิชเฟดูคุชิโกชาดิชฟดูคุชิโร ก, ค, รกคุณอยากดื่มอะไรคะสดาอุซเชโน ว, วิจาสร์สดาอุซเชโน ว, วิจาสรคุณชอบดนตรีไหมคะมูซิการวิจาสซ มูดดิฉันชอบดนตรีคลาสสิกค่ะเคลาสิกามูซิกา ส, สคลาสติกามูซิกจั ส, จสนี่คือซีดีของดิฉันค่ะซีคอมพักตสิคอมพักต์ดิสกอร์มูชิอ คุณเล่นเครื่องดนตรีได้ไหมคะมูิมกอมัมกมกรัมเวกาวมูิกอมัมกมกรัมเวกาวนี่คือกีตาร์ของดิฉันค่ะมรซิกิตาร์มรซิกตาร์คุณชอบร้องเพลงไหมคะ วอร์ดควบโอนร์วิชาส์วร์ดควบอนร์วิชาส์าสคุณมีลูกไหมคะซาบียรวิอค่ะซาบควิ อ, วอคุณมีสุนัขไหมคะฮะวิอฮะวิอคุณมีแมวไหมคะ ชะตุวิอนี้คือหนังสือของดิฉันมุฮัร์ซิดฮิลิกมุฮัรซิดฮิิดิฉันกำลังอ่านหนังสือเล่มนี้จิดดมมัฮ um ิลิมเซจจิดดมมัฮิลิมเซจ คุณชอบอ่านอะไรคะคุณชอบไปดูคอนเสิร์ตไหมคะคุณชอบไปดูละครไหมคะ ทีแตรมวุกอเนร์วิชอาาคุณชอบไปดูโอเปร่าไหมคะโอเปรัมวุกว้กอเนอร์วิชอาาคารุณาไปที่ www. b o o k t o de